แตนะ่ตัวพรงค์เองก็ทํามานะไม่ไหลไปตามกระแสแห่ันหานะไม่ไหลไปตามกระแสที่ชาวบ้านชาวเมืองหรือใครๆในสมัยนั้นเขาทํากันเขาหลงระเริงกันนะมีเปเช่นมีความสุขในชานบ้างเป็นความสุขที่ยังมีความกําหนัดโมวเมาพั ว, พ, วพันบ้างอย่างนี้ผู้ช่างเราก็ไม่ไหลไปตามมันเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็เพราะว่ามีหลักนะมีเกาะนะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงนะไม่ใช่ให้ยึดนะ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 ก็เป็นสัญญาอย่างหนึ่งเอา้านี่ก็เป็นสัญญานะสิหรือว่าอสุภสัญญาอจินวะสัญญามรณะสัญญาพวกนี้พระเจ้าให้เรียนเอ้ยมันก็เป็นสัญญาแหะสิแสดงว่าแม้แต่ธรรมะที่พระเจ้าสอนให้เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยสิ่งนั้นก็ยึดไม่ได้ถูกต้องท่านฟังแม้ธรรมะไม่มีอะไรในโลกเอาว่างั้นเถอะ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 สิ่งที่ถูกต้องก็คือว่าใช้ใเป็นที่พึ่งเพื่อที่จะละกิเลสถอนตัณหาหรือถอนอวิชชาธรรมะของพระเจ้าจำฝั่งเป็นไปเพื่อรื้อถอนอวิชชาคุณรากเหง้าของมันขึ้นมาเพื่อที่จะถอนออก น, นี่คือข้อที่ต้องตระวังแลนะเพราะว่าแม้สิ่งนั้นก็เป็นที่ให้เรายึดตือได้พระเาจึงแยกกันออกในะระหว่างเจ้าความทุกข์คือขันต่างห้ากับเจ้ามักคืคอการดำเนินให้ถึง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 ถ้าเราทำเราปฏิบัติให้มันถูกการทำการปฏิบัติให้มันถูกนัน mm ่นคือสารณะการทำการปฏิบัติให้มันถูกนั่นคือกิเลสมันลดลงไปความแ <Northwest ern. S 1> ตก ต, <LET S 2> ต่างระหว่างอุปาทานกอจวารยึดถือกับความแตกต่างระหว่างเจ้าสารณะคือการใช้เป็นที่พึ่งเนี่ยทั้งสองอย่างสารณะก็ไม่เที่ยงอุปทานก็ไม่เที่ยงมันต่างกันตรงนี้ตรงที่ว่าอุปทานถ้าคุณมีกิเลสจะมากขึ้นอุปทานถ้าคุณมี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 จะเป็นผู้หญิงก็จะที่สวยงามมากจะเป็นผู้ชายก็ที่หล่อร่ำมากเห็นแล้วถ้าคุณมีความกำหนัดโมเมาลุ่มหลงพัวพันในสิ่งนั้นอ่านั่นคือคุณยึดคุณลุ่มหลงตัณหาอุปทานมากขึ้นแต่ถ้าเราเห็นเราเห็นตามจริงว่าโอ้แม้รูปนี้ที่สวยอยู่อย่างนี้หล่ออยู่อย่างนี้งามหน้าดูอย่างนี้ถึงคราวที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันก็จะแก่แตกตาลาย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 กูต้องไหว้ทวนกระแสเราจะไหว้ทวนกระแสนั่นเราจะไปจับกิ่งไม้จับใบไม้ที่มันโน้มกิ่งลงมาไม่ได้ถ้ามันขาดแตกหักทำลายไปเราก็จะซวยเลยเรายิ่งจะเสียใจด้วยซ้ำนั่นกำลังก็ตกเอา้าเรา ส, สู้สู้ด้วยกองกําลังท่านฟังนั้นเราเอากำลังมาสู้กําลังอยู่ที่ไหนอะไม่มีกองทัพกองกําลังอะไรเลยมีสิเวลาทหารเขาจะไปออกรบเนี่ยเขาจะต้องมีหน่วยพลาัิการนั่นคือส่งกําลังสํารองใช่ไหม กำลังเขาเรียกว่าอาหารยุทโธปกรณ์พวกนี้นะหน่วยเซนนัิการนะคิดแปนการลบหน่วยแนวหน้าออกรบนะทหารราบนะทหารปืนใหญนะ่มีอาวุธยุทโธปกรณนะ์พวกที่ดนตรีก็มีนะใช้ตรีตรีกลองสําหรับลั่นกรองรบนะหน่วยต่อสู้อากาศยานโอ้ยเยอะแยะไปหมดหน่วยต่างๆเหล่านี้จะทําให้กองทัพของเรามีความเกรียงไกรแต่กองทัพของเราสามารถสู้ได้นะเราสู้ด้วยกำลักองกำลังตรงนี้ กองกำลังตรงนี้มาจากไหนกองกําลังตรงนี้พระาจ้าเปลี่ยนเหมือนกับความเปลี่ยนนั่นเองเรามีทั้งสี่กองในใช่ของเราเนี่ยมีอยู่นั่นคือกองที่เราจะละเจ้าอกุศลที่มันมีอยู่ในใจนี่คือกองที่1นึกองที่2ที่เราจะป้องกันไม่ให้อกุศลใหม่มันเข้ามานคือกองที่2องกองที่3คือกองที่เราจะสร้างสมสิ่งที่เป็นกุศลใ้มันมากขึ้นแล้วกองที่4ี่คือสิ่งใดที่เป็นกุศลที่ยังไม่มีเอามาใส่เข้าไว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 ที่สที่คุณจะหาได้นั้นคือธรรมวิจยะธรรมวิจยะสัมโพชงใครก็ตามที่มีธรรมวิจยะสัมโพชงนั้นชื่อว่าคุณมีวิริยะสัมโพชงด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราใคร์ครวนธรรมะพิจารณาให้เห็นความที่มันไม่เที่ยงบ้างพิจารณาให้เห็นความจริงบ้างใคร์ครวนบทเพียนชนะพุทธพจน์ที่เป็นคําสอนของบุรุษชาบ้างพวกนี้เป็นธรรมวิจัยสั้นสินแบุงคลที่จเจริญมีการใค ร, คร์ควรวนธรรมะนั่นชื่อว่าเป็นผู้ที่ จเจริญวิทยาสัมโพชงด้วยเหมือนกันกองกําลังเราก็อยู่ตรงนั้นน่ะเราใครครวนไปเราเจอกองกําลังเราเราใช้ในการตวนกระแสใช้เป็นกองทัพใช้เป็นกองกําลังเป็นเครื่องมือที่เราจะทวนกระแสของตัาหาที่มันโหมทลาซัดพัดเรานะ่ะให้ไหลไปตามไม่ว่าเราจะดูข่าวหนังสือพิมพ์ดูข่าวทีวีมาข้อมูลมาทางโซเชียลเน็ตเวิร์กพวกสังคมเครือข่าย Facebook Twitter ์อะไรต่างๆแล้วเรื่องไม่ดีก็มีมาก เรื่องดีก็มีบ้างเราถูกพัดอยู่เราถูกไหลอยู่เราถูกซัดอยู่เราถูกทลาถล่มอยู่ด้วยสิ่งที่มันเป็นอกุศลเราต้องป้องกันทันทีเราต้องทวนกระแสทันทีณนะทุกขณาจิตเต็มฟังณนะเราประมาทไม่ได้เลยณนะเราอยู่ในกระแสแห่งตันหามันพัดเราอยู่ทุกวินาทีต็มฟังตันหาไม่เคยหยุดนิ่งมันอยู่ทุกขณจิตณนะจิตใดที่ยังมีการเกิดการก้าวลง อยู่ในอารมณ์ต่างๆนั่นคือจิตที่มีตนานนะตันหาบางทีมันจวบมันดับไปบ้างมันก็เกิดใหม่แตนะ่เพราะมัยังมีรากคืออวิชาของมันแตนะ่เราจะเห็นตรงนี้เราจะพิจารณาเห็นตรงนี้ได้แตนะ่คุณหากองกําลังคุณแต่กนะองกําลังคุณอยู่ที่ตรงจุดที่คุณมีการวิจัยธรรมะธรรมวิจยะหรือตรงจุดที่คุณมีศรัทธาตรงนี้คุณจะมีกองกําลังมีความเพี่ยนเกิดขึ้นได้เวลาที่เราหาเราดูเราจะเห็นได้แต่คุณต้องมีสติ สติเป็นที่ทั้งที่ระลึกถึงไม่ให้จิตของเราสันา่นริกระรัวไปตามกระแสที่มันพัดมาคนที่เขาล่องไปตามกระแสน้ำเพราะถูกพัดเนี่ยตกน้ําอย่างเงี้ยน้ำท่วมมาแรงๆสีนามิพัดมาเนี่ยคุณกําลังไหลไปตามกระแสน้ําคุณยิ่งต้องเปิดตาดูเลยวพราตรงไหนเราจะจับได้ตรงไหนเราจะเกาะได้ตรงไหนเราจะเอาเป็นเครื่องเกาะที่จะอย่างน้อยให้เราขึ้นจากผิวน้ำเนามองดูว่าฝั่งอยู่ตรงไหน เราต้องเปิดตาดูการเปิดตาดูตรงนี้นั่นะคือการเห็นนั่นเองแตนะการเปิดตาดูตรงนี้เหมือนเต่าที่เขาหดหุยในกระดองก็ตามเนี่ยเขาก็ยังต้องเปิดตาดูนะดูว่าสิ่งที่เป็นอันตรายภายนอกมันยังอยู่ไหมนะเราจะยื่นแขนยื่นขาออกไปได้ไหมนะเพื่อที่จะป้องกันตัวเองนะจากอันตรายต่างๆข้างนอกเราต้องต้องดูว่ามันจะมีของอะไรที่มันจะมาทิ่มแทงให้ใจิตใจเราเกิวความเจ็บจำน้าใจหรือไม่ เราดูตรงนี้ใช้ตาเรานี่แหละดูใช้หูเรานี่แหละฟังใช้จมูกเรานี่แหละดมใช้ลิ้นเรานี่แหละสัมผัสกายเราก็รู้อยู่ให้เห็นธรรมะทรรมฟังทุกครั้งที่เรามีภาษาเกิดขึ้นนั่นเป็นจังหวะที่เราจะปฏิบัติทมได้นั่นเป็นจังหวะที่เราจะเข้าสู่กองกาลังสีกองของเราได้นั่นเป็นจังหวะที่เราจะรู้ถึงความศรัทธาที่เรามีในคําสอนของพระเจ้าเห็นถึงการวิจัยธรรมะธรรมะวิจัะที่มันเกิดขึ้นตามภาษานั่นเอง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 ที่เราจะไปเกาะได้นั่นตะเกาะนี้ของเราไหมไม่ใช่เพราะเราจะต้องออกจากกระแสน้ําเราจะต้องไปสู่ฝั่งส่วนทีมีเกาะโผล่ขึ้นกลางน้ําเราเกาะอยู่ตรงนี้แล้วเกาะแล้วเราก็ไม่ไปไหนเลยยืดมาเกาะนี้ของฉันฉันต้องอยู่กับเกาะนี้คุณก็ออกจากตันหาไม่ได้คุณก็ออกจากกระแสของตันหาไม่ได้คนประเภทนี้ก็ยังดีนะยังถือว่ามีเกาะมีที่พึ่งอยู่แต่ด้านลุ่มหลงในเกาะนั้นนะก็ออกจากกระแสตันหาไม่ได้อยู่ดีก็ถือว่ายังไม่ฉลาดเต็มที่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 มีชีวิตอยู่ด้วยธรรมเราใช้ธรรมะในชีวิตประจําวันในการรักษาศีญ์ตรงนั้นเป็นเกาะของคุณนะเมื่อไหรก็ตามที่อกุศลดับไปกุศลเกิดขึ้นนั่นเป็นเกาะแล้วเป็นเกาะที่คุณจะใช้เกาะได้ไม่ให้ไหลไปตามกระแสขอัตนาเมื่อไหรก็ตามที่จิตคุณสงบลงไปมีสมาธิเกิดขึ้นนั่นเป็นเกาะได้เป็นเกาะที่คุณจะใช้เกาะไม่ให้ไหลไปตามความฟุง้งซ่านความคิดแสสายหาเรื่องหาราวความงงเหงาเหาหนอน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 สิ่งใดไม่ที่จงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขน่าจะตอบกันได้แล้วมันต้องเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนตาร์หรือเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นควรแล้วหรือหนอที่เราจะมายึดถือว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรไม่ควรแล้วทำยังไงปล่อยมันซะปล่อยมันซะแม้ศีลสมาธิปัญญาก็ต้องเป็นของที่ต้องหวังเป็นเกาะได้เฉย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 คุณจะใช้ชีวิตอยู่เป็นรูปแบบของความเป็นนักบวชไม่ว่าจะก้นผมไม่ก้นผ ม, ผมหม่มเขาวห่มเลืองก็ตามชีวิตคุณจะอยู่ด้วยความาสบายชีวิตคุณจะอยู่ด้วยธรรมะน่าจะมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมนั่นเองแต่วันนี้ข้าพเจ้าพระพุทธบุญขอขอลาไปก่อนท่านผู้ฟังมีคําถามข้อเสนอเนีส่งกันมาเลขที่1หมู่แปดตำบลนอนไฮโซอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีราัสไปรษณีย์สี่หนนั่นคือส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตร ถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ใช้คอมพิวเตอร์เป็นก็ไปที่ purethma.com p u r e d h a m m a จนกว่า